รักให้รักทุกคนแล้วก็าหายหน้าไปยี่สิบห้าวันหลังจากที่คุณกันมาเมื่อที่ยี่ิเจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบแล้วก็มาโพลขึ้นวันที่ย2ิสองกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยสามสิบเป็นเวลายี่บห้าวันวันนี้ตรงกับวันที่สงค่มเดือนแปดเป็นพุธก็สำหรับนี้ ขอเข้าเรื่องเลยเพราะว่าก า, ารอารมบทเป็นปัจจัยธรรมดาลูกหลานน้ำคาญตอนนี้คอยที่ว่าตอนุรายชมดาวสำหรับท่านผู้ฟังทโปรดทราบเรื่องเสียงยาเป็นสำคัญนักร่างกายยังไม่ดีเรื่อ ง, องที่อิพูดนี่ก็ยังไม่ดีมากให้ถือว่าเป็นธรรมดา ด้วยพระพุทเจ้าทรงจัดร่างกายเป็นโรคนทังมันเป็นดังของโรคปะพัาางผู้หนังจะต้องป่วยหน่เน่าเป็นบรรดาเรื่องของมันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตอนที่จุลไยชมดาวเข้าเรื่อดีกว่าเป็นอนุญาตจุลไยหลังจากปฏิมมาแล้ววันที่27มิถุนายน2 5 3 0หลังจากนั่งสมาสุาสัากับคุณแม่ เรื่องการทรงสมาธิจิตรัฏตารกาสมาธิของเธอไม่สงานเอาวันไหนได้มุกาาท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆด้วยกาลังหงในจเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่จิตก็สัเปล่าแต่ว่ารดามปกติรากฏบ่าถ้าคุมให้ใจเขาออกก็ดีคุมภาวนาก็ดีใจอยู่ไม่ได้นานนัก ว่าเดี๋ยวก็เลื่อนลำสัรรมอื่นสมัดปัญดาท่านผู้ฟังคงิทบรณ์อ่านกดีเรื่องท้องเรื่องคขาหนิทานในโปรดอย่าเชื่อว่าเป็นความจรงิงให้ถือว่าเป็นเรื่องคขาหนิทานจริงหรือไม่จริงก็พูดได้ เ, เรื่องที่อย่าพูดทั้งหมดที่จริงคือข้อวัดปฏิบัติให้ถือเป็นเรื่องความจริงได้ตัวกขาีตัวเอกคขาหนิทานก็ดีตัวรองนิทานก็ดีไม่ใช่ของจริง และก็อยังยาชื่นเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิงย่งนักวิทยาศาสตร์ย้งย่ามเรื่องดวงดาวนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจักให้เข้าใจว่าเรือนิทะให้ความจริงถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์แท้ๆก็ไม่หนักใจทั้งนี้ก็เตือนใจบรรดาท่านหลักที่กําลังเรียนวิทยาศาสตร์ที่กําลังเรียนวิทยาศาสตร์อาจจาใจผิดคิดว่าเรื่องดวงดาวต่าง ทำไมผู้โกดกจีโกหดผิดเกับความเป็นจริงที่ย า, าสาสซาบก็ไล่ทราบแับ เ, เรื่องธรรมนิทานต่อไปก็เข้าอของจุไรวันที่ที่สิบสองกรกฎาคมสันห้าร้อยสามสิบเก็นอนอยู่ที่นอกชานวันนี้เป็นวันแรมสองค่ำแรนดค่ำของวันทึกแต่วันนี้นก็ต้องขึนข้างขึ้น สมมติว่าวันนี้กลางเดือนข้างขึ้นของกลางเดือนกลาเดืนินาไมีขึ้นในแรมนะเป็นวันกลางเดือนพระจันทร์ดวงหลังเสร็จภา ร, รกิจทุกอย่างแล้วเป็นเวลากลางคืนพระจันทร์แจ่มฟ้าอยอ่ไรที่นี่ชวนมันดาที่เราลบมาเล่นกลาุชาน <c oughs> แล้วก็มองดูดวงดาวต่างๆเพียงถามแม่ว่าคุณแม่เจ้าค่ะ การสมาธิจิตให้จิตตรงตัวแล้วทรงสมาธิได้นานขั้นที่ไม่บี่ยงเภาพต่างๆไม่เฉพาะอย่างยิ่งเวีโยภาพหนโูทรงสมาธิได้ดีใช้เวลาเป็นโมงก็รงเย็นได้แต่เวลายามปฏติก็มงหลมให้ใจเข้าดีก็ดีเท่ า, าก็ดีทรงโมงไม่ได้นานประเดี๋ยวรมอืนกระแทกที่เรียกว่าลมพงซ่าน ทำแบบจริงย่งจะทรงตัวได้นานท่านแม่จะรู้ว่าถ้าต้องการทรงตัวได้นานก็ให้เวลานนอ้ๆคุมอารมณ์ให้จิตรู้อยู่โดยเฉพาะอยงิ่งรู้ลมให้ใจเอารู้ลมใจออกแล้วก็รู้การภาวนาให้นิหนึ่งถึงสิบให้ใจเข้าใจออกควบคู่กับภาวนาหน้นหนึ่งให้ใจเข้าใจออกคู่กับภาวนานับเป็นสอง อย่างนี่ถึงสิบถ้ายัางไม่ถึงสิบถ้าบังเอิญจิตแลกประสบอารมณ์อื่นไปคิดอย่างอื่นนอกจากการรู้หรือไม่เขาออกนอกจากรู้การภาวนาให้ลงโทษจิตเริ่มนับหนหม่อาจทําทอย่างนี้ไม่นานจิตก็จะมีการสงวต่อไปทําจนไม่เกินครึ่งเดือนนับหนึ่งถึงสิบจิตก็ยังไม่ไป 20สิบก็ไม่ไปไหนห้าก็ไม่ไปไหนร้อยสองรอยก็ไม่ไปไหนการฝึกพาทเทของตัวเขาทำอย่างนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ปรารบกับจุลัยว่าการที่แม่เคยบอกวัดว่าขณะไอที่ในรมว่างเป็นเวลาเดินไปโรงเรียนก็ดีไม่ไปเพื่อธุร ก, กินใดก็ดีนั่งอยู่ก็จับ ให้จิตนึกอารมณ์ภาวนาไว้อาถาพ์ภาวนาว่ายัางไงว่าตาหัดทําใจส บ, บายเวลานัหนก็เล่นภาพพระพุทธรูปก็ดีภาพประสงค์ก็ดีทุกภาพนี้ก็องค์สมเด็จพระสัมามพุทธเจ้า ก, ก็ตามให้ปรากฏอยู่ในอกหรือเห็นอยู่ข้างนอกก็ได้ตายชอบจิตถึงภาพพระพร้อมคำภาวนาทรงโตนไม่ละทานตัวไรว่ายานี้ลูกหรือเปล่า จุลัยเทควะถามจ้าจุลัยก็ถามแม่ว่าการทรงอารมณ์อย่างนั้นเวลาที่จิตจับภาพภาพระดีเพื่อลยงให้ใจเขาเอาดีเพราะอะไดีตามถ้าจับภาพจิตทรงได้หนักมีสมาธินานแต่ว่าหนากใดถ้าจิตไม่จับภาพจิตไม่ได้นานเป็นเพราะอะไรไม่ก็บอกว่าธรรดาถ้าไม่จับภาพจิตช่าละเอียดมากไม่มีจุดเกาะ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสินเขสินเป็นมิตมีภาพถือว่าเป็นกรรมฐานยาบสามารถทรงสมาธิดีฉะนั้นขอลูกๆู้ใจูกรั ก, ก, กจงพยายามลงสมาธิด้วยกำลังจับภาพ แ, แม่ก็ถามว่าเคยให้อารมณ์อย่างนี้บ่อยไหมจุไรก็ตอบว่ า, านจับภาพก็ดีภาวนาก็ดีใช้ปกติเวลาจะเดไหนก็ตามนั่งอยู่ก็ตามปาง จิตจะลึกเหตุภาพพระพุทธรูปก็าตามชาวสงฆ์กตาบางครั้งเห็นพระเป็นภาพเป็เจ้าสุ ข, ขทุกงามมากอยู่ในอกบางครั้งก็มีสภาพแจ่มใสามากบางครั้งมีสภาพไม่แจนะ่มใสนักแม่ก็บอกว่าคระบที่ภาพแจ่มใสในเวลานั้นเจิตว่าแต่กิเลสมากจิตไม่หุมห่อตัวไม่มีคนกระบอกข้อจิตเวลานไหนจิตมีเห็นภาพพระหรือต่างน้อยแสดงว่าจิตยิ่งลามมัวบู่ บ, บา้างจะมีความบริมาก แล้วก็เราถามว่าขนาที่จิตชอบพระเรื่อยู่สภาพเออเข้ามาแทกปรากฏเป็นความมีไหมจุไรก็นั่งก็ต่าวทว่าคนจริงมีเจ้าค่ะคือก็บอกว่าวันหนึ่งไปคุยกับคุณป้าดเดกบ้านข้างๆกันคุณป้าดแดงก็ถามว่าจุไร ล, ลับหลานน่ะสมาธิกับแม่ ไปไปเที่ยวดวดาวได้ใช่ไหมทุเรก็ตอบว่าได้เจ้าค่ะแล้วเราก็ถามว่าเวลานี้คุณลงุงสามีคุณป้าจะไปไหนไปแล้วอยากจะถามว่าเวลานี้คุณลุงมีความสุขหรือความทุกข์เกิดอยู่ที่ไหนก็ไม่ทุเรศดึงกับแม่เมื่อป้าแดงพูดอย่างนั้นอีกก็ไม่ได้คิดตะกรายก็เห็นผ้าตายคนหนึ่งไปเยืนอยู่ข้างหลังป่าชันเป็นคนขาวเหลืองรูปร่างปร แต่งเครื่องแบบนายเรือเห็นหน้าแล้วก็ยิ้มจุไรก็กลายเป็นป้าว่าตามธรรมดาหนูจะโดรดาที่หยาบเห็นผีธรรดายังไม่เคยฝึกแม่แต่เคยไปลามุนีเดียสถานไม่พบพระประดาก็เป็นวาระไม่เคยฝึกฝนอีกแม่ใจกจ็จะไม่รู้ป้าปฟังแล้วก็ยยาะง่าจุไรก็พูดต่อไปเมื่อที่ป้าถาม ถ, ามถึงก็ลงลาย ตอนยิงคนตายก่อนจุไรเกิดไม่กี่วันนะการก่อ น, น, อนจนุไรคลาดึ่งจุไยได้รู้จักคุณลวงจุไรก็มองไปดูพายที่ยิงข้างหลังคงุณลวงป้าถามว่าหลงวงระร่างโปรแข็งหน้าตายิ้มเสมอนายทหารได้ใช่ไหมคุณป้าหันมาทำตาตื่นใจว่าใจจุไรลูกเห็นเลยจุไรก็ถามว่าหลงเวลานี้ชีวิตยอยู่ลวงชอบอาพระใช่ไหม เวลาใหญ่ทำงานคุณลุงก็บูชาบ่อนกลับมาคุณล้องต่านี้รับทานอาหารน้ <c> ํา <oughs> ก่อนยกคุณลุงก็บูชาพระก่อนวันเสาร์อาทิตย์คุณลุงชอบใส่บาทเป็นความจริงไหมเจ้าค่ะคุณป้าก็ตอบว่าจริงนะป้าถามว่าจุไรรู้ได้ยังไงเธอก็บอกว่าหนูไม่เคยฝึกเรื่องนี้แต่พุ่ป้าถามเมื่อเห็นชายคนหนึ่งยืนข้างหลังคุณป้า พ่อร่างตามที่ว่านี้เป็นคนลุงใช่ไหมป้าก็ยอมรั บ, รบเราอระกาบเปียนให้แม่ทราบว่าลูกยังไม่เคยฝึกแต่ความจริงเมื่อป้าถามเข้าจิตมันเห็นตามนั่นถูกหรือไม่ถูกเจ้าข่าแม่ก็บอกว่านั่นถูกการเห็นเป็นทิศจักุยานลูกทำได้คล่องแล้วโดยไม่นมกถึงก็ทราบทันทีก็จิตใดก็ต่ามควรจะรู้ที่ปุยานถ้าคล่องจะรู้ได้ทันที และก็รายการที่สองการรู้เรื่องของคนตายแล้วก็แดงเกิดใหม่อย่างมีพระพุทธเจ้าทเทว่าจุตูปปาติยานรู้การเกิดและการตายของสัตว์ก็แสดงว่าลูกตุไรเนี่ยมีการคล่องในทิพยาและจูตูปปาติยานแล้วความจริงยานต่างๆจะเป็นจุตูปป า, าตยิยานก็ดีเจโตุริยยานก็ดีปุเพริวาสารยานก็ตามทั้งหมด ก็มาจากทิุญานอย่างเดียวเมื่อได้ทิุญานว่าทุกอย่างก็จะคล่องหมดเพราะเอาทิพญานไปใช้ในกิจนั้นอะไรที่ว่ากายยานต่างๆประโยชน์อย่างนั้นแม่ก็ตอบว่าสงสัยคําสอนพุทธเจ้าท่านสอนว่าอะไรมีที่ไหนสามารถสวดได้ตัมมาจุยก็เบนเรื่องถามคุณแม่ว่าเรานอนตรงนี้วันนี้เวลานี้ไม่ปิดสีไม่เจ้ากัน แม่ถามไปเที่ยวที่ไหนเจาพระว่ตตั้งใจจะโลกโลกพระพุทธพระพุทธปฏิโลกราชบุรีครับราชทศยักกงไม่ได้ไปปฏิดาวพธุธวันนี้อยากจะไปถึงอยากไปปนะ่ะอยากจชมดันเพลินๆซะก่อนแม่ก็ถามจะทมดาวอะไรต้งว่าเวลานี้เราอยู่ที่อูบ โ, โลกมนุษย์ธรรมดาหน่อยหงายแงนหน้าถ็นดวงดาวจะเคยไปมาแล้ว ดาวดาวจริงจงนี่เวลามองดูทิศรูปภาพมนุษย์ชาวจันสว่างมากข้คมดวงใหญ่แสนตาสบายใจเวลาเข้าไปยิงจันก็มินไม่มีแสงราวกัขเพื่อนโลกถ้ามองจากที่ไปถ้ามองจากไม่ลุกตาจะรู้ว่าดาวจันนี่ดาวดวงใอญ่เป็นดินเป็นหินเป็นไฟ ด้วยความจริงดาวจันเกิดเล่ากับแม่ก่อนจะที่อเมริกาจะยิงรถปฏิดาวจันคุณแม่เล่าให้จงว่าก่อนหน้านั้นอีวันนั้มีเจริญปันพวกหนึ่งที่เรียกว่าผาดนักคนปฏิไปโลกพระจันทร์ก่อน mm. ดาวจันทร์ก่อนโลกพระจันทร์ไปทุ่พระจันทร์ก่นก็ต่างไปชมกลับมาบอกว่าที่โลกพระจันทร์นี้ฝุ่นนี่ สีสีเทามีฝนเทาอยู่ที่โลกประจันก็ปลหนัสือเขาเขียนก <c oughs> ็ลงเอ็นของหนังสือจะเป็นนังเสียฝังเทนก็จะไม่ได้แล้วตมาเมื่อฝรั่งไปก็แปลงเช่นนั้นจริงจุาลายถามว่าคนที่ได้ฌานสมาบัติในทานนาที่พระเจา้าริบไปแล้วนี่มากเลยคัะคุณแม่แม่ก็ตอบมีมากบางที่พวกเราได้เนี่ยเป็นของน้อยเป็นเศษเศษคุณดีที่พ้าส่งสอน ยากคนพุกคนมาลัยเขว่าจะดีกว่เราก็ดักต้องเที่ขี่เพราะว่าเขาสามารถไปโด่งจันทร์แล้วก็บอกว่าพนาชีเทาตรงกับฝรัง่งต้องมองอไปว่าถ้าเราตรงนี้ดาวอังคางไม่เห็นได้ตาไหมอะแต่ว่าดวงจันทร์เรามองเห็นแต่ว่าชาิจิตเป็นตาก็เห็นดาวอังคารดาวังคารรู้สึกว่าอยู่ไกลมากการภาพเห็นมาก็ไปเห็นแล้วก็แร่ธาตุมาก ถ้ามองที่นอนนี้โลกสมภูเห็นรอบรอ บ, รอบดาวคันเป็นหมดแต่ไม่หนานักแต่ก็ไม่บางเกินไปคล้ายๆกันไอ้าไอเทีว่าที่ว่เสือกหมอกยิ่ย่อมลอยอยู่รอบต่ตปลว่านั่นความจริง <c oughs> แล้วต่อมาก็มองไปดูดาวพุธชมดาวจริงฐางนตั้ง้องดาวนี่บรรดาถูกฟัง ทังแล้วก็จะทราบว่าฐานที่ตั้งดาวอยู่แม่นอนอาจขึ้นไปในที่ต่างจากที่ใดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่กงปี น, นิษฐานดวงยาเชื่อจะสนุกสนุกจะสนุกที่จะรายก็ตาใจบงางเมื่อดับรู้สึราวพวกนี้ใกล้อยู่ใกล้ดวงมากดาวอื่นคำว่าถึงใกล้หมากแต่ก็ใกล้หนักเกินไปไกลจากดวงเพลิงที่รอบวัตถิดหรยอว่าเป็นล้านล้า น, านใหม่ เป็นโลตัสล้านมาอะไรกลามากแต่ก็ถือว่าใกล้กว่าดาวงอื่นที่ไร้าติถ้าแทมมันก็กำลังอิดเห็นว่าหน้าของดาวพุทธเกลี้ยงเหมือนกับดาวหัวโลนร้อนใส่ถูกกว่าร้อนแต่มองไปด้ายของดัวพุรธก็มีความจย็นเข้ามาวะทะดาวพุทธกวางจริงท่านผู้ให้จะดาวดวเล็กท่านนายค้ชพุทธก็ไม่ละโลกมนุษย์เทไรมัก ดังนั้นเมนื่อดาบพุธใหญ่นี้ความร้อนขก็คงไม่ตลอดดาบพุธดนั้นอนไทยคนดาบพุธจึงมองว่ามีความชื้นสูงดูงลยถามแม่ว่าเท่าจะไปใจะมานู้ไปเอาดาบพุธนุษย์ปัดหน้าร้อนจัดหลังก็ยิ่จัดถ้าเป็นเพราะอะไรแม่ก็ตอบ ว, ว่าเท่าจะอาบาดลูกใหญ่มาวางไว้ใกล้แกล้งเพลิงแต่จะไม่กลายเป็นติด ส่งไปกองย่อมยอม่อบเอาบัดวางไว้ทั้งสองทางไปสองสามวาัด้านเหล่านั้นเปลระอองเข้ามาพระนีอยากจะสราบว่าด้านด้านหลังร้อนเท่ากันไหมนเลยก็บอกว่าด้านหลังถึงม่น้ําก็ร้อนไม่เท่าด้านหน้านี่เลยการสองน้านทุนน้าก็ได้เย็นมากกว่าจะไม่มีความร้อนนะเจนบากมากส่วนปลายสุดที่ความร้อนเราเราไปไม่ถึงอาจจะเย็นก็ได้ แม่แก็ดาวพุธสมภาพอย่างนั้นลูกก็ไปแล้วก็ตามความจริงว่าดาวพุธด้านหน้าร้อนจัดด้านหลังไม่ค่อยมีความชุ่มชื่นอะไรแต่สอในสามดาวพุธร้อนร้อยกึงสองคนก็น จ, ะจะมีสัตว์อยู่หนึ่งในสัปดาห์ปลายดาวพุธ ท, ที่มีชีวิตได้คือความว่าดาวพุธหน้าร้อนก็จริงแหละแต่ว่าอันหลังจริง ยังไม่คิดว่าได้เธอก็มองไปมองไปเห็นดาวประหัตตาพระพอยู่เยื่องจากดาวพุธออกไปไกลมองเป็นดาวดูให่มองไปที่ไรเห็นดาวประหัตไม่ชักนักเพระพาย ร, ารู้สึกว่ามีเมฆหรือมีละอองหมอกมีความหนามากหมอกมีคำตัวคล้ายพายุพัดไปพัดมาตลอดเลาถ้าจะเปรียบเทียบ ก็หมายก็ว่าโลกมนุษย์เรามองเห็นไมฆลอยอยู่เบื้องบนก้อนขาวว่ดาวก็ตามดางตาเป็นก้อนที่ลมไม่ได้ตาเปล่าเห็นว่าอยู่กระมากแล้วก็บางคล้ายอยู่เมฆทัางหลานั้นมลอยอยู่ไปโดยกาลังลมลอยเร็วบางท่านลอยเร็วบ้างบางชั้นก็ช้าบ้างซึ่งดาวฤกษ์ก็มีสภาพเหมือนกันทั้งนอกมีรู้สึกว่ามีความหมุนอากาศเยอะ ก็กล่าวว่าเป็นเล็และหมอกก็ได้ลอยไปลอยมาหมุนอยู่มีสภาพเร็นว่าดาวพรรหัสที่สามารถจะมีอะไรอยู่ได้แต่ไม่ใช่ดังใจมองเข้าไปจริงๆก็ปรากฏดาวพฤหัสกับความหมุนของลมและเมฆที่หมุนอยู่ภายนอกไกลกันมากซึ่งไม่รับโลกมนุษย์เท่าไรเมฆขาวหรือเมฆดำใบนาทึดอยู่ไกลไกล แต่ว่าทหาเราขึ้นเครื่องบินไปเครื่องบินบินไปสองสามหมืน่นฟิต <c oughs> มองลงมาเระเห็นหลอดทั้งหลายเหล่ามั้ น, นคล้ายกับพื้นดินด้วยความบันดาลรทธิ์ก็มีสภาพ เ, เดียวกันแต่ก็บวกแมก่คุณแม่บอกขาถ้าได้ความจริงมองไกลๆคล้ายกัจะมีสิ่งที่อาศิยไม่ได้แต่เมื่อแท้จริงๆแล้วดาวฤกษ์กันดาวดวงใหญ่โตแล้วเกลี้ยง มีความร้อนน้อยกว่าดาวพุธมากทั้งดว ง, งดาวฤหษ์มีการหมุนตัวความร้อนก็ไม่หนักคล้ายกับโลกมนุษย์โลกชมพูที่เราอยู่ดังนั้นดาวฤกษ์นี้ฝรั่งเขาว่าไม่มีคนแต่ว่าเราไปนิทานก็ต้องมีคนเพราะฤกษเป็นสมเุขาดาวที่ให้ความสุขก็ต้องคน ให้ก็มองผ่านไปจากดาวหัดก็มองเห็นดาวศุกร์ดาวศุกร์ที่สีสิ้นจริงๆเวลากลางคืนสว่างจา้าเวลาธัมมานดาที่อยู่ที่โลกนี้จะมองเห็นได้ตามด้าน ท, าที่ตกเ้าสุราวงดาวศุกร์นี่ก็มีลามเยือกเย็นเย็นไม่เท่ากันด้านนอกมองเข้าไปเห็นว่าดาวศุกร์นี้มีหิมะมากปกคลุมมากคนไทย มีสภาพหนาวสัตว์ทั้งหลายมีขนยาวมากแต่มื่อไปทั่วบางจุดก็มีความอุอน่นบางจุดก็ค่อนข้างร้อนนิดหน่อย เ, เรื่องความถ่าร้อร้อนพทนได้แล้วโรคชมพูหรือโรคที่เราโลานี้ดาวศุกร์อุบมสมบูรและทรัพย์สินประเทศที่น่าอยู่มากเพยก็มองไปอีกเห็นดาวดวงเล็กๆไกลขึ้นสูงยิ่งดาวกร์ถ้ามองในตาเปล่า ดาวฤกษ์กดีดาวดวงเล็กก็ดีมองได้ตาเนื้อมองเห็นแต่ดาวองคารดาวพวกดาวฤกษมองด้วยตาเนื้อไม่เห็นเพื่อถามแม่ว่าดาวดวงเล็กๆมันที่พระนภารู้ว่าเป็นดาวอัมมอนใช่ไหมแม่ตอบว่าใช่ใช่เพราใช่ตาใจมองไปตาเนื้อมองเห็นเล็กนิดเดียวตาใจมองรู้สึกดาวดวงนี้ใหญ่ ในโลกที่มีความใหญ่ไปสารไม่น้อยมีผู้คนอยูาสยายวันดาวสุกระหัสม้ ว, ว, วยกันแล้วก็ศาสตร์วิทยาอะไรก็จะเรียนรู้เรืองเวลามันน้อยถอยลงมาลกมาดาวสุก็ถึงดาวประหัสแยกออกไปทางด้านทิศที่ตะวันออกของโลกหน่อยข้าทิศเหนือมี่ตะออกทางด้านนดิดนิดหน่อยเจอดาวเสารดาวเสาเวล า, ว า, ว น, านี้อยู่มม อ, อับ นี่คอยู่ไกลแสนัมากดาวสาวนี่จริงๆเพบาะเป็นดาวเป็นดาวอันธพาลก็ความเป็นดาวอับจุดหนึ่งแต่ยังไม่ทีบายอะไรมองแล้วเราเห็นว่าไม่น่าสะใจก็กไปทีหนึ่ง่งขึ้นไปทางด้านทิศูหนขึ้นไปถ้ารับถึงนาว่าทั้งโลกโลกปัจจุบันก็ต้องบด้านทิศตะวันตกเขียงเหนือ โลกนี้เป็นโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งสงอาทิตมองเห็งมีแสงสว่างจากแก้วแต่โลกนี้ป่ามีคนเหมือนกันโลกนี้ถามนั่นเองก็ถามแม่ว่าคนประดับประดาเพชรนินดาประปรามากร่างกายก็มีแสงสว่างมีเพชรบัดทั้งกายทั้งหมกทั้งกะเกงีงทั้ ง, งเท้าก็มีเพชรแล้วร่าหน้าตาของคนเหมือนแผลกิ้วดำดำแต่ชอบสวย ไม่ราก่ว่าโลกนี้เขาเรียกโลกสิบปังด้วยศิลปะเอาสาบรายงานเสิบปั ง, าาปงถ้าพูดตามความเป็นจริงในสมัยนี้เขาใช้ศิลปะทอบแต่งตัวคนชอบโปกถอยหลังลงมาหานด้านที่ิตรออกถึงเกลื่กลางพุ่งไปทางด้านเหนือเป็นดาวพฤตอยู่ดาวนี้ เ, เรียกาดาวภูคา ดาวบริโยดวงนี้ชื่อว่าเป็นดาวที่แปลกไกลแสงอาทิตย์มากสาตุที่เรสองถิ่นเหมือนกันก็มีความแข่งดัง น, นั้นมีอะไรบ้างก็จะว่าทีหลังด้านไล่มาทางด้านที่ตัวออกอีกใกล้ๆกันดาระหว่างจังดังคากไล่กันพุ่งไปทางด้านเห น, นือบ้านี้มีแสงสว่างจาา้าไพศาลมากถ้าพาบริยบวิญจะก็มีแสง คนทุกคนก็มีแก้ประดับกายที่แสงมีต้นมไม้รากไม้มีพืดพรรณอยาอาหารอุดมสมบูรณ์มากคนก็สวยทุเรก็ถามแม่ว่าโลกนี้ดดาวดวงนี้เขาเรียกอะไรแม่ก็โลกนี้เขาเรียกครูรู้ที่เป็นคนที่มีสิ่งธรรมมากเวลามันใกล้จะหมดเธอก็ลดตัวมามองไปทีว่าดวงดาวที่่ด้านทิศตะวันออกเวลาเช้ามดืด มีแสงสว่างจ้าคล้ายดาวประสุกไม่ตอนรู้ขั้มดาวนี้คู่ใหญ่คนแก่ที่คุณดาวกลาบพิกหรือว่าดาวกราบพิกมีแสงสว่างมากถ้าพระก็ถือว่าเป็นดาวตีะระพังถ้าดาวดวงนี้ขึ้นตีะระพังเช้ามืดได้พระธรรมวัตรจดมนและตองสีเจรงกรรมฐ า, านอาจจะบ้านก็เกรียมหงข้าวชาวนาเตรียมเอาไถ น, นาเป็นดาวยาม เป็นขค้น่องงเกตัา่าดาวรวงนี้ขึ้กใกล้สว่างประมาณทีสี่ดาวดวงนี้ก็อยู่ไกลๆโลกนักก็อยู่มีแสงสว่างมากแม่ก็บอกว่าดาวดวงนี้ก็ดีการละวัตถุก็ดาวประพิกรตามดาวสุกัดตามดาวทั้งสองดวงนี้ทํามองห่างๆเห็นว่ามีหิมะร้อมรอบบรรยกาศ ห, หิมะต้องแสงอาทิตเข้าเกิดแสงสว่างที่แปลกกว่าดาวดวงอื่น ดาสูงไปหน่อยหนึ่งเป็นดาวดวงไม่ย่อมนักแต่อยู่ไกลๆวงเล็กอยู่ในโลกมนุษย์สามารถเห็นด้ตาเนื้อแต่ดวงเล็กมากต้องตาดีๆแม่ก็บอกว่าดาวดวงนี้มีคนและคนที่เิี่ยวศาสตร์มากเคือดาวสูตโตเธอก็มองตามไปเห็นคนรูปร่างกลึงคห้แยกมีผิวดำหน้าตายี่ยม แรีว่าเป็นคนที่ยินยากตาก่างกันกับดาวจามอนดาวจามอนเป็นคนสวยนมายิ้มแย้มอย่างใสสดที่เป็นค น, นมีเมตตาแต่ดาวกูสูงตัวในแป ล, ปลกว่าก็คือว่าหน้าตาดุร้ายเคร่งขรึมท่าทางเอาจิงเอาจังเกิความวันนี้ไม่ได้ไปไหนกันชมดาวกันแค่นี้ก็พอหมดเวลาก็แลลว่าคุณแม่กับจุไรก็คุยไปคุณ